ทีนี้มาเรื่องของเราก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาทําพิธีปิดก่อนให้ให้จบเรื่องพิธีกรรมนะครับเพราะว่าทีนี้เดินด้วยคอร์สนี้เราเรานิมนต์หรือว่าเราได้ฟังคําสอนของครูบาอาจารย์ค่อนข้างมากนะครับถ้าค่อยๆไล่กันมาเนี่ยก็แน่แน่ แกนหลักของหลักสูตรนี้ก็หลวงปู่ดูลเลยนะครับจิตคือพุท ธ, ธะที่เป็นแก่นให้เราเดินเข้าไปพระอาจารย์อำนาจครับท่านพุทธทาสหลวงพ่อเอี้ยนหลวงพ่อชาหลวงปู่มั่นหลวงปู่ล่าหลวงพ่อวิริยังหลวงพ่อทูล หมดแล้วพ่อฮ ะ, ะหลวงปู่ดูลหลวงปู่บุญญาฤทธิ์ท่านติชนัดฮันเอ๊ะมีป่าวก็มีหน่อยนะครับท่านเว้ยหลางใช่ไหมเยอะมากนะหลักสูตรนี้ก็เอ่ยชื่อมาเพื่อจะกราบขอบพระคุณพระธรรมทั้งหลายแล้วก็เผื่อเราขอขมาก็จะได้ อาจจะผิดพลาดพลั้งไปบ้างซึ่งไม่มีเจตนาใดๆนอกจากเพื่อเราจะเดินทางการถกเถียงถกเถียงกันในธรรมไม่ใช่เกี่ยวกับตัวบุคคลนะครับไม่มีปัญหานะครับให้เข้าใจความจริงไว้อย่างหนึ่งอย่างเช่นเราเนอาธรรมะมาถกเถียงกันเนี่ยไม่บาปนะไม่ต้องกลัวผมไม่กล้าพูดอะไรเลยกลัวบาปไม่เกี่ยวนะ การถกเถียงไม่เข้าใจสงสัยหรือว่าแยง้งแสดงความคิดเห็นพวกนี้ไม่เกี่ยวเลยนะครับเป็นไปเพื่อการพัฒนาธรรมนะครับไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อจะทำลายตัวตนบุคคลที่พูดออกมาหรือว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเปล่าเลยไม่ได้มีเจตนาตรงนั้นเลยเรามาถกเถียงมันไม่ใช่มันไอ้นี่ทำได้หมดเลยในหมู่กลุ่มนะครับผู้เจ้าเปิดโอกาสให้มีการถกเถียงแล้วก็วิเคราะห์วิจัยธรรมของคาของท่านได้หมด เพราะว่าสิ่งนั้นทําไปเพื่อการเดินทางเข้าสูม่มรรคผลเท่านั้นเองโอกาสข้างหน้าไม่อย่างนั้นใครพูดอะไรแล้วบรรยายอะไรต้องเชื่อหมดก็เสร็จนะถ้าเป็นวิชาทิฏฐิขึ้นมาคนพูดเป็นวิชาทิฏฐิเถียงไม่ได้เลยก็ตายเลยนะอืมใช่เหรอเนี่ยไออย่างนี้ไม่ถือเป็นการปรามาสนะไม่เกี่ยวนะครับเฮ้แล้วเราก็เป็นนั่งวิเคราะห์อืมอะไรเงี้ยก็อันนั้นเป็นเรื่องปกติของการที่จะวิเคราะห์วิจัย ธรรมะวิจยะนะคบไม่ไม่เกี่ยวเลยมันเป็นไปนเกี่ยวกับตัวตนเลยท่านจะเป็นยังไงใครจะพูดผมไม่รู้แต่ผมว่าตรงนี้ไม่ใช่นะแล้วก็ไม่เหมือนคำผู้เจ้าไม่เคยไปที่ตัวคนพูดแต่ไปที่เนื้อธรรมไม่ได้บอกว่าคนนั้นดีคนนั้นไม่ดีเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าเส้นทางการเดินเข้าสู่มรรคผลในเบื้องต้นก่อนที่จะไปถึงทางสายเอกเนี่ยโอ้โหที่บอกว่า กรรมฐาน4ี่สิบไปทางไหนก็ไปรวมกันที่การยกจิตขึ้นวิปัสนาผมบอกไม่ใช่กรรมฐานสี่สิบหรอกมันเหมือนมกาะสมุยมีคนเดินทางไปเกาะสมุยเนี่ยสี่สิบเส้นทางจะมีสี่สิบเอ็ดก็ได้นะจะมีใครขี่จั ก, กียไปอีกทางเป็นสี่สิบสองก็ได้จะพายเรือ k a ยั k ไปเป็นสี่สิบสามก็ได้แต่มันต้องไปเจอตรงนี้แล้วมันจะขึ้นพร้อมกัน ก็คือตรงวิปัสสนานี่ยแหละไปเห็นอนัตตาธรรมแล้วก็เข้าถึงสุญญตาเห็นรูปนามเป็นไตรลักษณ์แล้วก็เข้าถึงสุญญตาอย่างเงี้ยโอเคไปรวมกันที่ตรงนั้นแต่ทางที่จะไปตรงเนี้ยเยอะมากครับเยอะมากเพียงทํายังไงให้จิตตั้งมั่นแล้วอยู่ในอปัญญาศีนสมาธิท่า น, นั้นเองปัญญาก็ไปเกิดตอนช่วงเนี้ยช่วงที่ไปรวมกันเนี้ยแล้วก็ขึ้นไปเป็นหนึ่งก็ไปเห็นไตรลักษณ์ท่า น, นั้นเองพอว่างปุ๊บก็จบ มันไม่ใช่ว่างแบบที่คนเข้าใจเนี่ยแต่เป็นการว่างจากความหมายแห่งความเป็นตัวตนด้วยการที่เห็นไตรลักษณ์มาอย่างแจ่มแจ้งและจิตเกิดวิราคธรรมแล้วก็วางวางอุปาทานในขันวางตัวจิตลงตรงนั้น่ะว่างคนไปเข้าใจว่าว่างคือปทําให้ว่างแล้วว่างไม่มีอะไรเป็นรูปประเ่อเป็นอรูปประพลผมได้ยินแล้วตกใจมากบางคนทําตัวเป็นผู้รู้บอกว่าท่านพุทธทาสตอนนี้อยู่ในชั้นพลมเพราะว่าอยู่กับความว่าง เดี๋ยวก็ได้ว่างยาวแล้วนะั่นะอย่างเงี้ยด้วยความไม่รู้ถ้ามาถกเถียงกันที่ทำคือความว่างไม่มีปัญหาแต่นี่ลงตัวตนเมื่อไหร่เรียบร้อยมันเกิดเป็นตัวตนบุคคลเราเขาเมื่อมีเขามีเราทันทีแต่ถ้าดูกันที่เนื้อธรรมไม่มีปัญหาเลย ใครจะถกเถียงกันเท่าไหร่หน้าดมหด้ า, าดำขาเครียดกับตัวหนังสือเนี่ยไม่มีปัญหาเลยเนี่ยเถียงกันไปได้เลยยกนี่มายกนี่มายกนี่มากันได้เลยเพราะพูดถึงสิ่งที่อยู่บนโต๊ะเป็นธรรมะวิจัยไม่ได้ไปพูดถึงคนครูบาอาจารย์หนังสือทุกองอ่ะไม่ต้องห่วงวต่อให้ท่านไม่ต้องเป็นระดับอะไรเลยนะท่านเป็นสงสุ ป, ปัติปันโนคนหนึ่งที่ปฏิบัตดดิดีปฏิบัติชอบแค่นี้ก็พอแล้วเนี่ย ไปว่าอะไรท่านศีลท่านก็สูงกว่าเนั้นอันนี้พูดให้ฟังเฉยๆนะครับเพราะว่าพวกเราไม่ไม่ได้มีอะไรตรงนี้อยู่แล้วแต่เราพูดให้ฟังเวลาเราได้ยินใครพูดบางทีเนี่ยพูดเยอะอย่าอย่าเข้าไปต่อกับเขาด้วยก็แค่อยู่เฉยๆถ้าไม่อยากฟังก็เดินหนีออกมานะครับโอไม่อยากยุ่งด้วยอของแบบนี้อะไร เนี่ยเวลาปากมันพูดเนี่ยตามหาไปอย่างนั้นนะครับเพราะว่ามันไปอยู่กับคำพูดมันเป็นวจีสังขารมันก็ปรับเปเรือตามก็มองไม่กดอะไรสักทีเอาละเดี๋ยวหยุดพูดก่อนถ้างนั้นเดี๋ยวเรามาอารหังสมมานโมตสะกันก่อนนะครับแล้วก็สมาทานศีลห้า ต้องขอขามาก่อ น, นอาระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวตาธัมโม ทามานัมมะสัมมิสปัตติปันโนภคขวะโตสาวะกะสังโคสังขังนัมามิอะเดี๋ยว นตัสสะนะครโมตัสสะะคะวะโตอะราหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะปะคะวะโตอะรหะโตสัมมาสัมพุทธะ นาโม ต, าาาาตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธาจาจาัสสะขอถูแทนโยคีชายหญิงเดี๋ยวเรากล่าวคำขอเข้ามานะครับรัตนะตะเยปามาเทนะทวารตะเยนกตัง สัพพังอป ร, ราทังขมะทุโนพันเตอาจาริเยปมาเทนะพระวาระตะเยนะตตังสัพพังอป ร, ราทังขมะทุโนพันเตกรรมชั่วอันใด ที่เป็นบาปอภุดสอันฆ่าพระเจ้าทั้งหลายได้ประมาทพลาดพรั้งล่วงเกินไม่ว่าจะทางกายวาจาใจขอให้ท่านโปรดอโหสิกรรมให้แก่ข้าพระเจ้าเพื่อความสำรวมระวังให้ยิ่งขึ้น และไม่เป็นอุปสรรคต่อการเดินทางสู่มรรคผลนิพพานด้วยเทินเชิญถวายเครื่องสักการะแล้วก็เปิดกลวยขอเข้ามานะครับทุกคนพนมมือแล้วก็น้อมเสมือนว่าท่านเป็นผู้ถวายด้วยตัวเองครับกราบครับกราบมะยังพันเต ติสระเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะทุติยัมปิมายังพันเตติสระเณนะสหปัญจศีลานิยาจามะตติยัมปิมายังพันเตติสระเณนะสหปัญจศีลานิยาจามะ นะโมตัสสะพ lonely, ักขวะโตอาระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพักขวะโตอาระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมอาระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารนังขจามิ ธรรมมังสารนังคัจฉามิส bon ังข te <an> ังสารนังค bon ัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสระนังคัจฉามิทุติยัมปิธรรมมังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิสังขังสารนังคัจฉามิตาติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิ ตาทียำปิดธรมมังสารนังฆจชามิตาทียำปิดสังขังสรนังฆจชามิปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปัทถังสมาธิยามิหะทินนาทานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ กาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาธาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมระมะจั ป, ปมาทาตานาเวรมณีสิกขาปะทถงสมาธียมิ เดี๋วเราว่าคํานี้ด้วยนะครับอิมาณิปัญจสิกขาปะทานิสัมมาทิยามิพูดทั้งหมด3ามครั้งนะครับเป็นการย้ําว่าเราจะขอสมาทานแล้วก็ถือศีลห้าตลอดไปอิมานิปัญจสิกขาปะทานิสมาทิยามิอิมานิปัญจสิกขาปะทานิสมมาทิยามิ อิมานิปัญจะสิกขาปะทานิสมาธียามีนะครับพระครับแล้วก็เช่นกันนะครับพวกท่านเองก็เหมือนกันมาอยู่ร่วมรวมกันที่ตรงนี้หกวันห้าคืนก็อาจจะมีอะไรกระทบกระทั่งกันบ้างทั้งที่มีเจตนาและไม่มีเจตนา ก็หันไปขอโทษขออโหสิกรรมซึ่งกันและ ก, กันนะครับก็หมุนไปรอบๆนะครับก็ขอโทษขอโอโหสิกรรมกันจะได้ร่วมเป็นกาลยานามิตรนะครับเพื่อนร่วมเดินทางกันไปในส่วนพิธีกรรมก็คงจบลงเพียงแค่นี้